ร้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะศรัทธาญาติโยมพาเนนลูกลานเราตกนรกมาในอดีตต่ชาติร้อนกว่านี้เรายังอดได้ยังผ่านมาแล้วบางคนไปติดคุกมาไม่มีห้องแอร์หรอกในคุกก็ยังผ่านมาแล้วร้อนกว่านี้ อันนี้ไม่เป็นไรเราอยู่ในที่โล่งขนาดนี้เราต้องทนได้เยี่ยงเราเป็นนักพรตนักบวชบําเพ็ญทุกกรกิรยาบําเพ็ญคุณงามความดีจะอดทนเพียงแค่นี้ไม่ได้หรอกเราต้องอดทนได้ต้องใช้ความอดทนขันติคือความอดทนได้ดีตลอดในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเรยกว่าอดทนคานี้ าในเวลาเรานั่งภาวนาเราก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่ 14, สิบสี่เมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อวานเป็นวันสงกรานทุกปีที่เป็นวันสงกรานหลวงพ่อผ่านสงกรานมาเจ็ดสิบเอ็ดปีนะั้นลูกหลานคณะัทธาญาติโยม พอละปีหนึ่งก็มีสงกรานต์ครั้งหนึ่งหลวงพานหลวงพ่อผ่านสงกรานต์มายี่สิบเจ็ดสงกรานต์แล้วชีวิตหลวงพ่อยาวนานพอสมควรแต่นึกย้อนหลังดูเราก็รีบปรีเลยแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสลดสังเวชใจของหลวงพ่อวันหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นวันที่โยมแม่จากไปที่วัดหลวงพ่อเป็นวันที่14วันที่14เมษายน ก็ร้อนอย่างปีนี้แหละปีนั้นอะ่ะโยมแม่จากไปที่วัดหลวงพ่อนี่แหละแปลว่าวันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อลำลึกถึงโยมแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันแต่ได้ไปชุมเพลิงในสามสี่วันต่อไปอปี 2, วันที่สิบสี่ปีสี่สองหลวงพ่อจำได้ว่าเป็นปีสี่สองโยมแม่จากไป พอปีสี่สาโยมพ่อจากไปเดือนธันวาหนาวอีกเหมือนกันหนาวสุดๆขณะที่หลวงยมพ่อจากไปหลงแม่คุณโยมแม่จากไปร้อนสุดแต่โยมพ่อจากไปหนาวสุดในปีต่อมาโยมแม่ของหลวงพ่ออายุ95ปีแต่โยมพ่อของหลวงพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อ อายุ96ปีแก่กว่าโยมแม่ปีหนึ่งพ่อท่านไปที่หลังนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เป็นห่วงแต่หลวงพ่อก็ลำเลิกถึงไหมทําบุญไหมหลวงพ่อก็ทําบุญตั้งแต่วันเตือนสมเพนหลวงพ่อลําลึกถึงโยมพ่อโยมแม่ทําบุญโยมรวมญาติแห่ลําลึกถึงพระคุณแต่หลว ง, งพ่อเองก็ไม่ได้วิตกกังวลเพราะว่า โยมพ่อเองรักษาศีลห้ามาตั้งแต่อายุ35ปีจนอระทุถึง9ก้6เปีท่านปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดโยมแม่ก็เหมือนกันแต่เมื่อโยมแม่อายุ40่กว่าปีพอลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วโยมแม่ก็รักษาศีลห้าตลอดไปเพราะว่าเราอยู่ใกล้ใกล้คุณย่าคุณย่าบวชเป็นชี คุณแม่ชีแก้วกระบวดเป็นชีอยู่ด้วยกันเพราะนั้นทั้งโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเข้าไปปนนิบัติคุณแม่ชีแก้วด้วยทั้งโยมย่าด้วยต่อมาก็โยมอาน้องของโยมพ่อกระบวดเป็นชีอีกเพราะนั้นทำให้โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยฝึกฝึกฝึกฝ่ในธรรมในศีลในธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อเอง มาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้วิตกกังวลท่าว่าโยมพ่อยมแม่ไม่ได้ไปสู่สวรรค์แล้วใครให้จะได้ไปสู่สวรรค์เว้นเสียแต่ว่าในโค้งสุดท้ายของท่านท่านอาจจะคิดไปในทางไหนอันนั้นก็สุดแท้แต่กบเหมือนกับพญาธรรมโศกราชแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าบุญกุศลของท่านเพียบพร้อมและก็ท่านก็ยินดีอนุโมทนา ในการบูรการกุศลของหลวงพอ่อที่ไปเห็นที่ไรท่านกราบลูกชายของท่านท่านกราบด้วยความเคารพคารวะกราบด้วยความอ่อนน้อมจริงๆถ้าเห็นโยมพ่อยมแม่กราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเองก็ซึ้งในใจว่าหลวงพ่อเกิดมาในตระกูลสัมมาทิฏฐิทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายในตระกูลทุกคนมีพี่น้องโดยการเจดคนโยมพ่อบอกเลยนะ บอกลูกชายหละพอจะเป็นหนุ่มขึ้นมาโยมพ่อเลยบอกเลยโยมพ่อเนี่ยถือปไตรสรณคมนะถ้าผู้ใดก็ตามกินเหล้าเมายากินเนื้อดิบนั่นแหละท่านบอกว่ามันปไตยสารณคมเสื่อมเพราะนั้นลูกของพ่อของแม่ในลูกเหล่านี้เนะี่ยห้ามกินเหล้าเด็ดขาดถ้าผู้ใดก็ตาม ถ้ากินเล่าขึ้นมาไม่ต้องเรียกว่าพ่อไม่ต้องเรียกพ่อว่าพ่อนะไปที่อื่นไปเลยเพราะเลี้ยงใหญ่แล้วต้องไปที่อื่นอย่ามากใกล้แถวนี้แปลว่าโยมพ่อนะเป็นผูกแคร่งในศีลในธรรมอย่างมากพราะนั้นพี่ชายของหลวงพ่อทั้งสองคนไม่มีใครคาว่ารถสุรานะผมไม่เคยรู้จักเลยครับคูบานะแต่หลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงแล้หลวงพ่อบวชจะเป็นสมัมมเน อ, อายุยัง น้อยนี่แหละความเป็นมาของหลวงพ่อทำให้เราไม่กล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังก็ลูกหลานศรัทธาญาติโยมก็คงจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นตระกูลอย่างไรพอยอมพ่อยมแม่เป็นตระกูลหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาเทศนาว่าการให้โยมพ่อยมแม่โยมปู่โยมญาติเป็นผู้ไฟ ในบุญในกุศลจะกนั้นมาถึงโยมพ่อโยมแม่ก็ทายทอดลงมาเรื่อยๆมาถึงพวกเราแต่ถึงยังไงก็ตามอย่างหลวงพ่อเองเข้ามาศึกษากับหลวงปู่ล่าแต่เป็นสมณเณรน้อยท่านทํากิ จ, จวัตรข้อวัดยังไงท่านแร่งยังไงท่านถือธูลงอย่างไรตั้งแต่เข้ามาบวชเป็นสมณเณรหลวงพ่อฉันมื้อเดียวตลอดคําว่าสองมื้อไม่เคยมีเลย หลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่ อ, อยันเ ล, ลือกไม่ได้เลยว่าได้ฉันสองมื้อฉันมื้อเดียวตลอดพอลุกอาจากอาถรรพ์เราก็ไม่ฉันอีกออแล้วก็อยู่ในหลวงปู่ล่าตั้งแต่วันปวดเป็นสมรเภ์มาหลวงปู่ล่าไม่เคยใช้ช้อนไม่เคยสันชดช้อนอีกต่างหากไม่ชันชันในบาตไม่เคยจะเอาช้อนลงไปตักในบาตหลวงปู่ ล่าท่านบอกว่านี่นะหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเคยเทศไปฉันแบบลืมตัวจะไปฉันชดช้อนน่ชดซ้ายชดขวาไม่ได้ท่านหลวงปูล่ลานเอท่านบอกว่าขนาดท่านเจ้าคุณธรรมธรรมะเจดีเนี่ยท่านเคยฉันในภาชนะฉันชดช้อนอพอเขาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่หนองผือนาในเนี่ย มันก็ไม่ฉันเหมือนกันนะพันแต่มีแต่หลวงปู่อ่อนนะั่นแหละครับหลวงปู่อ่อนเนี่ยยายานาจิลิไนอะพอนั่งนั่งติดหลวงปู่มั่นอีกต่างหากอพอท่านจะชันชดช้อนเอฉันชดช้อนก็น่าชันชดช้อนก็นัดหลวงปู่ลากเลยท่าเนเคยพูดแต่หลวงปู่มั่นท่านก็เฉยมองท่านก็เฉยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเนี่ยแต่องค์อื่นไม่ได้นะ่ะเอถ้าฉันชดช้อน สันช้อนในวัดของหลวงปู่มั่นไม่ได้ล่ะวงแตกเลยแต่ให้มาถึงหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันเพราะหลวงปู่ล่าก็เองก็ไม่เคยที่จะฉันชดสันช้อนนะลูกหลานนะให้ลูกลูกหลานสังเกตดูเห็นไหมหลวงพ่อทุกวันนี้พอฉันในบาทหลวงพ่อไม่เคยฉันเอาช้อนฉันในบาทลูกหลานเคยสังเกตไหมนี่แหละกระทั่งทุกวันนี้หลวลงพ่อฝังใจถึงขนาดนั้นล่ะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอน หลวงปู่ล่าท่านบอกนะพระพุทธเจ้าบริขารของพระพุทธเจ้าบาทตกอยู่เมืองนั้นจีวรสังฆาติโมริขานตกอยู่เมืองนั้นเมืองนี้แต่ช้อนมันตกเมืองไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยสันช้อนนะอันนี้ก็คือหลวงปู่คูบาจารย์อย่าลืมตัวนะแต่ที่หลวงตามหาบัวกเหมือนกันสมัยหลวงพ่ออยู่ด้วยนะท่านท่านไม่เคยฉันเลยนะท่านยังไปตําหนิอยู่ พระลูกศิษย์ของท่านท่านไปฉันกับลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ผู้ใหญ่นะท่านเห็นลูกศิษย์พระเนขรของลูกศิษย์ของกหลวงท่านนะท่านเห็นท่านยังดุเลยนะลงตานะท่านยังนํามาพูดในที่ประชุมในวัดของวัดป่าบ้านตาดอกีกเราไปเห็นพระลูกศิษย์ของเรานะทําไมไปหาฉันชดช้อนอย่างนั้นลืมตัวเนะี่ยสมัยลงตา มหาบัวนะเพราะนั้นหลวงพ่อลูกหลานเนี่ยเห็นเห็นหมสังเกตไหมนี่แหละหลวงพ่อฉันในบาทหลวงพ่อจะไม่มีช้อนไปฉันในบาทแต่ว่าใส่น้ําแกงหรืออะไรหลวงพ่อหรือของหวานก็ใส่แก้วหลวงตาท่านก็เคยใส่นะใส่แก้วใส่อะไรพอได้ได้ฉันในน้ากระนอกนะั้นแหละท่านไม่ได้ฉันในช้อนซดซ้ายซดขวาไม่มี อันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของหลวงตาให้ลูกหลานผู้ใดจะถือแนวปฏิปทาหลวงตาก่อนให้ฟังเอาไว้แต่หลวงพ่อกองเองก็ไม่ได้บอกว่าแข่งหรือไม่แข่งหลวงพ่อยึดแนวแถวที่ท่านหลวงตาพาดําเนินหลวงพ่อถึงจะไปฉันที่สวนสวนแสงธรรมไปฉันที่ไหนหลวงพ่อก็ไม่เคยไม่เคยฉันช้อนนะเพราะเฮลัยพราะว่าหลวงตาท่านสอนแต่ว่าโค้งสุดท้ายของหลวงตา บางทีท่านมานั่งอยู่ตามนั่นละ่ะบางทีท่านอาจจะฉันหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปดูพาะหลวงพ่อออกมาตั้งแต่ปี25งนะ้าปี25 25, นะ่อหยี2525หหลวงพ่อออกมาแต่ในช่วงนั้นหลวงตายังยังนมอยู่อายุ70กว่าปีนะก็เท่าๆกับหลวงพ่ อ, พอทุกวันนี้ก็มังท่านก็ยังไม่เคยฉันเอาช้อนฉันเลยนะท่านยังแข็งคลัต อย่างฉันแล้วกัการแจกแจกอาหารก็เหมือนกันก็แจกอย่างที่เราแจกนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อยังที่ท่านไหลไปตามล้อลื่นหลวงพ่อยังไม่เคยในสมัยที่อยู่กระองค์หลวงตาเพราะนั้นมาถึงยุคนี้หลวงพ่อก็เลยเรารู้อยู่ว่ามันสะดวกในล้อลื่นนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยศึกษาในขณะที่ออกมา ก็ยังจแจกอาหารอย่างทุกวันนี่แหละอย่างหลวงพ่อให้พระเนรแจกอาหารอย่างทุกวันนี่แหละแจกในวัดของเราเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาจะหาดูได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำแนวปฏิปทาที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาอย่างไรจากองค์หลวงตาหลวงพ่อก็นามาพาลูกพาหลานปฏิบัตินี่แหละแล้วก็เนี่ยเช้าองค์หลวงตาทั้งกอง พอตื่นเช้ามาหลวงพ่อเนะ่สมัยก่อนนะ่ขึ้นปนนิบัติของท่านรับบาดเีวรนของท่านตั้งหห้าปีนะที่หลวงพ่อขึ้นไปแต่ไปอยู่ปีแรกไม่ได้เข้าไปปีที่สองหลวงพ่อเริ่มไปล้างกระโถนท่านปอปีที่3ขึ้นกุฏิของท่านทำความสะอาดท่านจะดูตลอดจากนั้นของหลวงพ่อก็เป็นองค์หนึ่งในการปนนิบัติดูแลองค์หลวงตาเรียกว่า ถ้าเป็นพ้ารุ่นเก่าๆนะก็จะรู้ได้นะแต่พ้ารุ่นน้องๆที่มันรุ่นใหม่ๆให้เขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยอยู่อย่างไอแต่รุ่นเก่าๆพอจะรู้ได้อืมที่เคยอยู่ด้วยกัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติในการอยู่วัดขององค์หลวงตาเนะองค์หลวงตามหาบัวนะ พวกนั้นว่าพูดนั้นว่าใกล้ชิดนําำแนวปฏิปทาขององค์หลวงตามาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่ออยากจะดูเหมือนกันว่าท่านได้ยึดแนวแถวมากน้อยแค่ไหนการอยู่การฉันก็ดีการพูดจาพาทีก็ดีการวางตัวก็ดี อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนะแต่หลวงตาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัว การพูดอะไรให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่แหม่ไม่ใช่ว่าแหม่มีมีอะไรหลวมปากก็จะพูดไปเลยโดยไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หลวงตาไม่เคยสอนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็นั่นนะถึงจะมีพระสมัยนั้นก็พระไม่มากนะที่หลวงพ่ออยู่อย่างมากก็ 20กว่าองค์21อยีบองค์ปีหลวงพ่อออกมานะปี25นะ่้ามีพระ25องค์เป็นว่ามากที่สุดในปีนั้นนะที่หลวงพ่อกาบลาอ อ, าออกมาแล้วก็มาสร้างวัดป่านาคำน้อยปี25นะนี่แหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านพาดำเนินสรุปแล้วหลวงตาไม่เคยลืมตัวอยู่แบบสมัทห์นะใครก็ตามจะไปติดต่อกับคู่กับคน ต่อหน้าต่อตาที่ท่านเห็นนะระวังฮะเผลอๆจะไล่นี้ออกจากวัดเพราะนั้นคือสรุปแล้วบวชเข้ามาเพื่ออะไร เ, เพื่อเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกหาทางพ้นทุกอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศเหรออยากจะได้สรรเสริญใช่ไหมได้ไปทำไมต้องการอะไรยังไม่พอเหรอดวงตาท่านบอกว่าเอาเถอะเราที่ได้ล า, าบ ใกลยศมาจะตกปัจจัยของเราเราไม่ได้เพื่อเราแม้แต่น้อยเดียวเพื่อหมูเพื่อเพื่อนเพื่อวัดวาศาสานาทั้งนั้นเราต้องการอะไรเราเอาไปใช้อะไรเราไปต้องการอะไรหลวงตาท่านมีแต่บอกกล่าวอย่างนั้นให้กับคณะสิทธิอนุสิ์เพราะฉะนั้นเวลาท่านได้มาก็เสียสละช่วยส ง, สงชุมชนสังคมช่วยวัดวาศาสานาวัดนูน้นวัดนี้อย่างที่วัดเราเห็นไหม กำแพงของเราเนี่ยแต่สรุปแล้วก็คือบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเราเนี่ยได้มากกว่าเพื่อนที่ที่หลวงตาสงเคราะห์นะทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะหลวงตาท่านคงจะเห็นความจําเป็นสําคัญของเราเพราะวัดของเรามันกว้างท่านก็เลยให้กําแพงทั้งหมดยี่สิบกว่าล้านสมัยนั้นแล้วก็ทั้งสระน้ําทั้งอะไรด้วย แต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญที่หันท่านให้มาเราก็ไม่ได้ลืมตัวนะได้มาเนี่ยเพื่อใครเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของเราอีกต่างหากจะเอาไปทำไมไม่ใช่วั ด, ว ด, วดหลงวหลงพ่ออินนะวัดนี่วัดของพระพุทธเจ้าในเมื่อหลวงพ่ออินตายไปหลวงพ่ออินจะได้อะไรนะ เ, เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปนานเท่านานเพื่อลูกเพื่อลาอ้านที่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่ สิ่งไหนที่มันดีเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดวางแบบแปนแผนผังให้ดีที่สุด เ, ออเราจะรักษาปา่าธรรมชาติพอหลวงตาเนี่ยรักธรรมชาตินะรักรักป่านะออท่านอยู่ที่ไหนท่านจะสงเคราะห์นุเคราะห์ท่านจะพูดอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะให้ความเมตตาสงเคราะห์พวกสัตว์ทั้งหลายหลวงตาของหลวงตาเนะี่ยเมตตาพวกสัตว์นะเออพราะนั้น ทั้งเมตตาทั้งสัตว์ด้วยทั้งเราไปที่ไรทั้งก็าถามเรื่องนกเป็ดเป็นยังไงยังมีมากไหมหน้าแรงเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงเหล่านี้ท่านจะถามตลอดแล้วก็พร้อมกันพวกหมูป่าเป็นยังไงแต่ขนาดเรามีหมูปา่าท่านไม่เคยที่จะให้รถนะรถไม่เคยที่ท่านจะซื้อให้กับใครนะท่านให้รถปิกอัพของเราคันหนึ่งนะนิสสันสีเขียว ขั้นแรกนะหลวงตาซื้อให้เราก็นนามาใช้ขนพวกมันพวกอะไรให้หมูป่าเนี่ย น, นะเลี้ยงพวกสัตว์เสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงถ้าหลวงพ่อไม่เล่าไม่พูดให้เก่าไม่ฟังให้ลูกหลานฟังคงจะล่อยหลอลืมไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นการสงเคราะห์อนุเคราะห์องค์หลวงตากับวัดของเราถ้าจะว่าไปแล้ววัดเราเนี่ได้ แล้วก็ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงตาเนี่มากนะคณะทาญาทโยมลูกหลานนะเพราะนั้นถือว่าพระคุณของหลวงตาเนี่ยล้นหลามมากมายมหาศาลเพราะนั้นเมื่อหลวงตาจุติเนรพานไปแล้วเราจะสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรกับองค์หลวงตาเราเราจะสร้างอะไรอามิชบูชาบูชาพระคุณหลวงตาแต่เมื่อหลวงตา สมัยนั้นเมื่อทองท่านสแสวงหาทองคำเข้าคลังหลวงเราก็พยายามเต็มที่เลยเพื่อจะหาทองคำช่วยหลวงตากระถินผ้าปาเรามีเท่าไหร่เราซื้อทองคำหมดวัดทองวัดของเราเนี่ยทองคำเราซื้อไปหมดไปทั้งร้อยกิโลร้อยแปดกิโล ก, กว่านะลูกหลานนะที่เราช่วยสงเคราะห์เราถวายหลวงตานะ แต่สำหรับเงินอีกเราไม่นับเพราะเราถวายทองทีหนึ่งเราก็ต้องถวายเงินด้วย3ามี่ห้าแสนอันนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้นับใส่แต่เรานับแต่ทองคำเท่านั้นอ่ะจำนวนเงินเราเราไม่ได้นับเพราะนั้นเรื่องสมัยนั้นเราหยุดในการก่อสร้างวัดของเราเลยตั้งแต่ปีสี่หนึ่งจนถึงปีสี่หในวัดของเรานี่ แปลว่าอยู่ในสภาพไปว่ารักษาแบบประทังไปเท่านั้นเอง เ, อเราไม่ได้มีการก่อสร้างในแต่ ว, วัดของเราในช่วงนั้นเพราะว่าเราจตุปัจจัยมีเท่าไหร่เราก็รวบรวมจุตุปัจจัยถวายองหลวงตาเพื่อซื้อทองคําเข้าคลังหลวงให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่วัดของเรานะแต่ว่าเรื่องการหาทองคําเข้าคลังหลวงเนี่ยหลวงปู่ลีได้มากกว่าเพื่อนทั้งหมด ได้บรรดาลูกๆูของหลวงตาพ่อหลวงปู่ลีเวลาหลวงตาลงไปกรุงเทพท่านก็ลงไปด้วยแต่นั่นแหละแต่องต่อมาเกิดเป็นองค์ในหลงพ่อไม่ทราบแต่หลวงปู่เพียรท่านก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันถ้าว่าหลวงตาต้องการอะไรหลวงตาจะมอบอะไรอย่างโค้งสุดท้ายหลวงปู่เพียรป่วยหนักท่านก็บอกว่าท่านจะถวายทองกับองค์หลวงตา สักสิล้านลูกศิษย์ทั้งก็ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเข้าไปกราบพันครูอาจารย์จะจะไหวทององค์ลงตาอย่างนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวก็ผมจะออกไปแล้วผมจะติดต่อไปสานงานดูจากนั้นหลวงพ่อก็เข้าไปพอเข้าไปก็เขียนกระดาษใส่อีกให้ท่านอ่านเพราะท่านได้เสพไอเออสอดสายยางเข้าไปในทางจมูกของท่านอ่า เขาไปเอาอาหารเข้าไปในท้องท่านทานอาหารแม่แดดมันจำลักทัานพูดไม่ได้หลวงพ่อ เ, เขียนกระดาษกระเด็ดเสียนกระดาษใช่าครูจานมีความประสงค์อยากจะถวายองหลวงตาซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเป็นเงินสิบล้านบาทใช่ไหมครับผมหลวงพ่อเขียนท่านก็พออ่านท่านก็เงืกหัวใจ จากนั้นกับลูกศิษย์ของท่านก็อยู่ข้างๆหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกเอาเอ า, เอาตามนี้แล้วนะไปไปเอาปัจจัยมากระโอนเงินออกมาจากนั้นก็ซื้อทองคําจากนั้นก็ให้ท่านเข้าไปถวายเองหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปนะ่เพราะหลวงตาไ ม, ไม่ชอบหน้าใครนะทั้งหมดหนะลวงปู่ท่านก็เข้าไปกับเท่าแก่กุห ง, งกับปอเพสสั์มั่งเข้าไปหลวงตายังได้เอามือจับหัวหลวงปู่เพียน เออแค่ๆเป่าหัวให้เลยลักษณะอย่างอันนักเนี่ยให้กําลังใจลูกศิษย์ของท่านเออปอยังว่าโอ้ผมประทับใจอย่างมากเลยวันนั้นที่หลวงตาทํากับลูกศิษย์ของท่านนั่นแหละแต่หลวงพ่อทําอะไรขนาดหลว ง, งพอ่พอพูดหลวงพ่อพูดขนาดนั้นนะทําขนาดนั้นเขายังว่าโอ้หลวงพ่ออินไปล่อเอาเงินหลวงปู่เพียนโอ้ไปล่ อ, อยังไงลูกศิษย์ลูกหาท่านนั่งอยู่ข้างๆ เออผู้ที่มันผู้ที่หาเรื่องมันหาเรื่องจริงๆนะหลวงพ่อว่านะแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกเออเพราะมันปากเขาเออไม่ใช่ปากหลวงพ่อนะแต่ขราวนันหลวงพ่อโอ้ยใครจะได้ใช้เงินหลวงปู่เพี้ยนเลยคนนั้นมีวาสนาบารมีหลวงพ่อกนะมังไปใช้ได้ใช่ของง่ายๆนะหลวงปู่เพียนไม่ใช่ธรรมดานะเหนียวยิ่งกว่าเหนียวอีกทียิ่งกว่าถีอีก ถ้าใครได้ใช้เงินหลวงปู่เพียนคนนั้นเป็นผู้มีวาสนาหลวงพ่อว่างหลวงพ่อไม่มีวาสนาใดใช้หรอกแต่เป็นผู้จัดการให้เท่านั้นเองเพราะว่าท่านต้องการลูกศิษย์ของท่านก็นไม่รู้จะทํำยังไงหลวงพ่อเป็นผู้รู้วิธีการหลวงพ่อเลยไปจัดการให้แต่ถึงจัดการให้ก็เตะก็เป็นที่รู้กันทั้งลูกศิษย์ด้วยทั้งตัวท่านเองยกกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอีกต่างหากเนี่แหละ หลวงพ่อทําอะไรไม่ได้ทำแบบสีสวยนะลูกหลานนะแต่เรื่องอะไรก็ตามถ้าจะมาพูดต่อหน้ากันมาเลยเอหลวงพ่อมีเหตุมีผลแต่แต่พูดรับหลังหลวงพ่อในยอมแพ้ใครจะพูดรับหลังในยอมแพ้แต่พูดต่อหน้ามาเลยมาอ้างเลยมาพูดเลยอถ้าว่ามันหลวงพ่อพูดไม่ถูกหลวงพ่อก็ยอมแพ้ อ, อีกอเพราะอะไรเพราพูดไม่ถูกจะทํำยัำยงไง ถ้าหลวงพ่อมีเหตุมีผลอยู่นั่นต้องเอาเหตุผลมาพูดกันไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดนั่นเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะจตหาญาตโยมทุกคนนะที่มาเป็นสิทยิญาณวิสิตหรือวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยต้องอยู่ในเหตุผลนะมีอะไรมันต้องพูดกันด้วยหลักเหตุด้วยหลักผลผิดถูกชั่วดีไม่รู้เหรอใหญ่ถึงขนาดนี้แล้ว ศึกษาธรรมะก็ศึกษามาทางโลกก็ได้ศึกษามารู้ไหมผิดและถูกถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมจะไปเถียงกันทำามให้งโง่ทาไมไอ้พวกที่เถียงกันไปรู้จักจบนะพวกงโง่ทั้งหมดนะั่นอ่ะเพราะอะไรเพราะดันทุลังไปอีกอย่างหนึ่งพูดผู้หนึ่งพูดเรื่องรูปธรรมผู้หนึ่งเอานามธรรมามาพูดนามธรรมาคือฝันพูดนะ อันนึ่งก็พูดเรื่องความเป็นจริงอันนึงฝันมาพูดยมันจะเข้ากันได้ยังไงหลวงพ่อยิ่งฝันมากกว่านั้นอีกแต่หลวงพ่อไม่เอามาพูดมันฝันเพราะมันหากฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะมันฝันเราจะเอาฝันคําฝันมาพูดได้ยังไงเราต้องพูดด้วยรูปธรรมในเมื่อรูปธรรมแล้วเอานามธรรมมาพูดมันไม่เข้ากันลูกหลานทะเลาะกันวันยังค่ำทั้งภพทั้งชาติมันเข้ากันไม่ได้หรอก เรื่องรูปธรรมและนามธรรมานามธรรมคือมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ให้เป็นแนวความคิด น, ะนามธรรมแต่รูปธรรมมองเห็นกันอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่เป็นถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนี่แหละอันนี้แหละาให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้รู้จักรูปธรรมนามธรรมาแล้วก็พร้อมกันพูดหนึ่งพูดอนัตตาพูดหนึ่งพูด เรื่องอจนทุกขังอนัตตาพูดหนึ่งพูดหนึ่งว่าเรื่องศีลพูดนึ่งพูดหนึ่งพูดเรื่องกฎระเบียบพูดหนึ่งพูดอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันจะเข้าได้กันได้กันได้ยังไงถ้ามันเป็นเรื่องศีลก็คือเรื่องศีลเรื่องอนัตตก็คือเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันจุดหนึ่งมันต้องมีแต่ทุกสิ่งทุกอย at ่างเป็นอนัตตาจริง แต่มาพูดถึงในไม่ถึงช่วงอนัตตาเราจะไปว่าอนัตตาได้ยังไงเราก็ต้องพูดเรื่องอนิจจังทุกขังซะก่อนเป็นเป็นเรื่องอัตตาซะก่อนเป็นพวกอัตตาซะก่อนถึงข่าวพูดอนัตตาจะค่อยอนัตตาปรับปรับขึ้นมาพูดหนึ่งพูดอัตตาพูดหนึ่งพูดอนัตตามันเข้ากันไม่ได้หรอกทะเลาะกันทั้งภพทั้งชาตินั่ะปล่อยหลเพราะมันพูดหันหลัง อันหลังพูดกันหลวงพ่อว่านะออวันนี้หลวงพ่อได้พูดอะไรตร์ดเปิดเปิงพูดเรื่องโยมแม่โยมพ่อแล้วก็แนวปฏิปทาครูบาอาจารย์ให้กับลูกพวกลูกหลานได้ยินได้ฟังนะออแล้วก็ตอนนี้ไปให้พวกลูกหลานนั่งสมาธินะที น, นี้นะเอาเปิด MP3 ให้ฟังออให้พวกเราได้ฟังถ้าว่าไม่เปิด m อ3ไม่ฟัง ต่อไปภายภาคหน้า MP3 หลวงพ่อเออมีประโยชน์อะไรที่อัดไว้ทางพวกพวกเราได้อัดไว้วันแล้วต่อไปพวกเราได้ฟังค่าวนี้ข่าวน้าเออมีประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังที่ MP3 ที่หลวงพ่อได้อัดเอาไว้นะเพราะนั้นลูกหลานนั่งสมาธินะทีนี่นะนั่งคัตสมาธิ